วันนี้เป็นวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2555สองวันที่ผ่านมาหลวงพ่อมีธุระรีบด่วนจะว่ารีบด่วนก็ใช่เป็นธุระเป็นภาระธุระที่ผูกพันตั้งแต่จัดงานของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําตั้งแต่วันที่24 มีนาคมอาทิตย์ที่ยี่สิบสีอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนายี่สิบสี่มีนาคมหลวงพ่อได้ไปจัดงานแล้วก็ได้พูดกับคณะกรรมการจัดงานในกลุ่มนั้นที่อำเภอคำเชออีจังหวัดมุกดาหารที่เจดีย์ของคุณแม่เจดีย์ของคุณแม่เริ่มขอสร้างมาตั้งแต่ปีปีสี่แปดมาเร็จปีสี่เก้า แล้วก็ได้ฉลองปี49พอฉลองเสร็จแล้วก็หลวงพ่อก็พาคณะัตหาญาติโยมลูกหลานในถิ่นนั้นจัดการประจําปีเพื่อให้ลําลึกถึงคุณแม่เพื่อจะให้เจดีย์ของคุณแม่เป็นที่รู้จักคนในถิ่นนั้นให้คนในถิ่นนั้นรู้จักมาเป็นที่การไหว้สระบูชาเพราะข้างบนยอดพระเจดีย์บรรจุพระ พรมสาหรีริกฆาตที่รับมาจากเจ้าพกุลสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันแล้วก็พระธาตุพระอรหันต์พระธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันแล้วก็อยู่ในข้างล่างก็คืออธิธาต์ของคุณแม่ชี้แก้วที่บรรจุในพระเจดีย์และก็ลูกเหมือนของคุณแม่ด้วยก็เป็นที่รู้จัก ของคนในถิ่นและคนต่างถิ่นเข้ามาหลังไหลเข้ามาไม่ได้ขาดแต่พอวันจัดงานเมื่อสองปีที่ผ่านมาปีนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็อือคนเป็นหลายพันหลายหมื่นอาจจะถึงหมื่นก็ไม่ทราบคนมากเหลือเกินบินทบาทสองสายใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะได้ฉันได้หลวงพ่อก็เลยบอกอืหลวงพ่อก็อายุหกบแปปีเข้ามาแล้ว ใช่จะว่าไปก็เหมือนเป็นพระผู้เฒ่าแล้วจะมาพาลูกพาหลานมาดูแลจัดงานคงจะไม่คล่องแคล่วเหมือนแต่ก่อนแล้วตลงพ่อจะปล่อยวางให้แกพวกพระในถิ น, นี้ลูกหลานถิ น, นี้ญาติโยมถินนี้ให้ช่วยๆกันดูนะเหลือตรงพ่อจะมอบจะตุปัจจที่อยู่ในที่เกี่ยวข้องหลวงพ่อจะมอบหมาย ให้แก่พวกท่านทั้งหลายดําเนินการต่อไปในอีกสักวันนึงแต่หลวงพ่อก็หาโอกาสจนถึงเมื่อวานวันก่อนเห็นว่าเวลาว่างก็เลยบอกไปทางนู้นให้เขาเตรียมพร้อมทางจากฝ่ายเจ้าคณะอําเภอเจ้าคณะตําบลเจ้าคณะอำเภอสองอำเภอคำออํำชะอีและอําเภอหนองสูงแล้วก็เจ้าอาวาสรวมกันแล้วก็หลายเจ้าอาวาสแล้วก็พวกผู้ใหญ่บ้านอบตอ แล้วก็ผู้ทรงคุณวุในหมู่บ้านพออโรงเรียนมาประชุมหาลรือกันวันก่อนวันที่22พฤษภา 55, ห้าห้าได้ประชุมกันกับหลวงพ่อในได้มอบหมายงานต่างๆให้กับเขาดำเนินการแล้วก็ท้าวความว่าทำไมหลวงพ่อจึงมอบงานให้แก่พวกเราเพราะหลวงพ่อเห็นว่างานนี้เป็นงานที่จะใหญ่ไปข้างหน้า แล้วก็คนที่มาเกี่ยวข้องก็มากมายแต่พร้อมกันหลวงพ่อก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วควรจะปลดพาละมอบให้แก่ลูกหลานดําเนินการต่อไปตอนลูกหลานก็หลวงพ่อพาดําเนินมาแล้วปฏิบัติยังไงทําอย่างไรลูกหลานก็รู้แล้วเพราะนั้นหลวงพ่อก็ต้องวางมือถึงคราววางก็ต้องวางมือเป็นอันไปไม่ใช่ว่าจะพาทําทุกอย่าง เมื่อวานหลวงพ่อก็ได้พูดมอบหมายงานทุกอย่างให้แก่ลูกหลานพระสงฆ์ในถิ่นนั้นให้ดำเนินการต่อไปแต่หลวงพ่อก็อยู่ห่างๆไม่ใช่ว่าจะปล่อยปลาละเลยเพราะเจตีของคุณแม่เนี่ยหลวงพ่อเองเป็นคนสร้างมากับมือรวมกันค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดหมดไปปลาเข้าไปเกือบ30ล้าน แล้วก็ทั้งนับทั้งถนนข น, นทางทั้งที่ดินด้วยแต่เมื่อวานก็ยังมีคนเสนอที่ดินจะเนี ย, ยติดบริเวณสมัยก่อนเราก็คิดว่าจะซื้อผ น, นวกเข้ากับบริเวณเจดีของคุณแม่เนื้อที่ประมาณสีไร่มาสีไร่หรือห้าไร่แต่เมื่อวานหลวงพ่อจะออกมาเจ้าของที่ดินหมุ่มาเข้ามาจะพูดอีก ให้คณะกรรมการหลวงพ่อเออคุยกับคณะกรรมการนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเอาผนวกเข้าเหมือนกันนั่นแหละให้มันจบจบไปเพราที่ดินของคุณแม่บริเวณนี้ประมาณเก้าไร่จะแคบไปสักน้อยอยู่แต่ได้ที่ดินแปลงในสี่ไร่เข้าไปอีกก็คงจะเป็นที่พักของคู่คนได้อีกถูกพ่อกับปูนก็จบแล้วก็เดินออกมาเมื่อวานนี่แหละอันนี้ก็คือ ที่หลวงพ่อไปธุระเมื่อวานก็คือไปมอบหมายที่เป็นภาระที่ติดอยู่กับหลวงพอ่อมอบหมายให้แก่พระลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้รับภาระธุระแทนเพราะคนดูดูแล้วก็มากปีทุกปีทวีคูณขึ้นเรื่อยๆสรุปแล้วก็บแบบพูดแบบทางโลกเขาก็ว่า เจดีย์ของคุณแม่เนี่ยติดตลาดทุนเว้ยติดตลาดเพราะว่าคนเข้ามากราบมาไหว้ทุกวันนี้รู้สึกมากมากแล้วก็จะตกปัจจัยที่คนมาทําบุญทําทานก็คิดว่าจะดูแลเจดีย์ของคุณแม่ได้เองที่ลูกพอดูมาหลวงพอดูตลอดรายได้รายใจแต่ละเดือนมากน้อยอย่างไงแค่ไหนใครดูเจดีย์ค่าน้ําค่าไฟลูกพอดูหมดแล้วคิดว่า ไปได้ถ้าเขาบริหารดีนะ เ, เว้นเสียแต่เขาบริหารไม่ดีก็ยังว่าตั้งแต่ทั้งซึมทั้งรั่วทั้งไรอันนั้นมันก็สุดวิสัยเราจะไปห้ามไปปราบมันก็ไม่ได้มีแต่เราให้แนวนโยบายที่เราบริหารมานะไม่มีปัญหา เ, าเพราะเหตุว่ามันเอาเข้าออยัางไงออกอยังไงใช้ใจ่ายยังไงต่อพระเจดีหลวงพ่อเองหลวงพ่อเคยพูดณักสถาน ที่ใดๆเวลาประชุมหลวงพ่อบอกว่าเรื่องเจดีย์ไม่ต้องห่วงเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเจดีย์จะเลี้ยงเจดีย์เองเจดีย์จะดูแลเจดีย์เองทำไมหลวงพ่อจึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าคนมากราบพระเจดีย์เขาก็ยยอนตู้หยอดตู้แต่ละเดือนเหลือค่าใช้จ่ายเหลือค่าน้าข้าวไฟเหลือค่า ดูแลตัดหญ้าดายหญ้าของเจดีย์ยังได้เก็บอีกเจดี JD, เลี้ยงเจดีย์เว้นเสียแต่คนเข้าดูแลเจดีย์กินเจดีฮะกินเงินเจดีอันนั้นเท่าไหร่ก็ไม่พอคนกินเจดีย์กินเงินเจดีอันนั้นเท่าไหร่ก็ไม่พอเจดี JD, สุดโทมลงไปเรื่อยๆ พอชุดโทมไปก็ไม่มีเงินที่จะซ่อมอีกไม่มีเงินที่จะดูแลรักษาอีกอันนั้นแปลว่าคนกินเงินเจดีย์อันนั้นจะทํำยังไงจะปรับยังไงจะปรับปรุงยังไงอันนั้นก็สุดแท้แต่กลุ่มของเขาจะพิจารณากันแต่ลําพังพระเจดีย์แล้วหลวงพ่อมั่นใจพระเจดีย์จะรักษาพระเจดีย์ได้นี่นะหลวงพ่อก็ได้พูดเมื่อวานวันก่อน แล้วก็พร้อมกันก็หลวงพ่อก็ได้พบได้กราบหลวงอาหลวงปู่จามก็คือหลวงอานะหลวงอาปีนี้ก็อายุร้อยสามปีกับห้าวันหกวันวันนี้แหละนะร้อยสามปีกับหกวันวันนี้เมื่อวานในห้าวันไหลไปเรื่อยพอหลวงอาหลวงปู่จามเกิดวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าพฤษภา แล้วก็แก่คนหลวงปู่ล่าหลวงปูล่ลาเกิดปีคุณหลวงปู่จามเกิดปีจอหลวงตามหาบัวเกิดปีฉลูหลวงปู่จามเนี่ยเกิดก่อนหลวงตามหาบัวสี่ปีฮะเพราะนั้นปู่จามเนี่ยร้อยสามปีก็หกวันนะหลวงพ่อพูดเมื่อวานท่านก็แข็งแรงนะแข็งแรงดีอยู่พอลุกมาจากที่นอนแล้วก็ลุกเดิน ลงไปหารถเข็นได้ <c oughs> พระก็ประยุงแต่ก็ไม่ให้เดินท่านไม่ให้เดินท่านเดินปเปล่าๆประยุงท่านเดินท่านก็เดินตกตกัตกๆไปขึ้นไปรถได้จากนั้นก็มาฉันที่ศาลาได้แล้วก็ไปบินทบาทได้ <c oughs> คําว่าไปบินทบาทได้คราวนี้พวกเราก็คงจะงงเหมือนกันแต่ตามมิจริงท่านขึ้นขึ้นไปนั่งรถนะ่ะรถเข็นนะทานรถก๊อบก็ไม่เอานะ รถก็ก็ไม่เาเอารถเข็นมีคนใส่ไปรถเข็นทําประยุกก็เข็นรอบบ้านบ้าน ท, ทั้งบ้านหุ่นทรายแล้บ้านทั้งหกเจ็ดปดร้อยหลังคาเนะี่ยนั่งรถแต่ถือไม้เท้าก็นั่งรถไปก็มีคนถือบาด เ, เวลาคนจะใส่บาดโยมผู้ถือบาดไปวางไวขง้ข้างๆท่านคนก็ตักบาดรถก็ไหลไหลๆ ไ, ไ, ไปเรื่อยชาวบ้านก็ใส่บาด หลวงพ่อดูแล้วคนใส่บาตรโอ้มากเลยนะเกือบจะเป็นร้อยกำลังคนใส่บาตรที่ห้วยทรายอนี่ยท่านก็ น, นั่งรอบบ้านกลับมาเข้ามาฉันฉันคือมาถึงชันผิดถงุงพิถีพิทันอะไรนะมีอะไรฉันไหมวฉันก็ทางหนอไม้มีอะไรที่ท่านอยากจะชันท่านท่านฉันหยิบฉันปล่อยให้อิจฉะในการฉันของท่าน เราไม่มีภนะัยน่ะตั้งแต่มาท่านกต่ฉันไปเลยจิบจิบจับจับบางทีเคี้ยวไม่ได้ดูดแล้วก็คลายทิ้่ก็มี เ, เมื่อวานเห็นท่านฉันแล้วก็เพลินเหมือนกันนะดูแล้วฉันมากไปไม่ไม่มากหรอกคนแก่นั่นแหละแต่ว่าจิบจิบจับจับตั้งแต่ฉันไปของท่านเมื่อวานพอฉันก่อนที่จะให้พรหลวงพ่อก็บอกประกาศเอกว่าเออ หลวงปู่ของเราเมื่อร้อยปีพวกลูกหลานทั้งหลายก็ได้จัดงานทําบุญร้อยปีของหลวงปู่เราแต่มาบัดนี้ทางวัดก็ซ่อมศาลาซ่อมเสนาสนะซ่อมที่พระผาอาศัยแต่บัดนี้ปีนี้คงจะจบล้เสร็จแล้วที่หลวงพ่อดูดูนะเพราะนั้นหลวงพ่อฝากไว้กับสมพานเนออาจารย์แจ๋วเนอกับพวกพระลูกหลาน แตลอพี่น้องประชาชนลูกหลานทุกคนถ้าเป็นไปได้ปีหน้าปีห้าหเดือนตั้งแต่อาทิตฐ์แรกของเดือนมีนานะหรือปลายอาทิตย์ของเดือนกุมภาเสา อ, อาทิตย์ของปลายเดือนกุมภาหรือต้นอาทิตย์วันเสา อ, อาทิตย์ของเดือนมีนาให้ช่วยๆกันคิดอย่ารวมกันทําบุญลําลึก ร้อสี่ปีของหลวงปู่ทํา บ, บุญร้อยสปีหลวงปูนะ่น่ะแต่การทําบุญหลวงพ่อก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้ว่าได้รบปู่อายุถึงขนาดนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของลูกของร้านจะตุ้งรวบรวมภาษาทางอีสานว่าตุ่มโฮมแอบตุ่มโฮมพี่โฮมเนาะโฮมลูกโฮมร้านทางไกลทางไกลหลวงปู่มีอายุ ร้อสปีน่าจะมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญทํากุศลกับองค์หลวงปู่มากราบมาไหว้เป็นสิริเป็นมงคลถ้าเราไม่จัดไม่บอกไม่กล่าวไม่ทําพิธีอะไรขึ้นมากะต่างคนก็ต่างอยู่แต่ถ้าว่าพวกเราลูกหลานผู้อยู่ใกล้ประจัดพิธีขึ้นมาก็เป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้ช่วยๆกันคิดเนอะปีหน้า ในหลวงพ่อก็ได้บอกกล่าวเอาไว้ถ้าว่าไม่มีถ้าไม่บอกไม่กล่าวไม่เกินไม่มีหนึ่งซะก่อนก็คงจะไม่มีสองมีสามเพราะนั้นหลวงพ่อจึงประกาศลงไปให้เป็นหนึ่งส่วนจะดำเนินการอย่างไรก็สุดแท้แต่ลูกหลานเหล่านั้นเขาจะดำเนินการถ้าลูกหลานเท่านั้นโอ้ยไม่ไหวแล้วหลวงพ่ออินได้โขข้าพรเจ้าไม่ไหวลำพังขนาดนี้แต่ยาแยอยู่แล้วไม่เอาละ กับสุดแท้แต่เขาหลวงปู่ไม่ใช่ของเราคนเดียวถึงจะเป็นหลวงอาของเราก็เถอะนะถ้าจะว่าไปกันเขาก็เรียกท่านหลวงอานะเป็นน้องชายโยมพ่อของหลวงพ่อนะเป็นคนที่สามจากโยมพ่อของหลวงพ่อหลวงปู่จามท่านออกบวชสมัยเป็นเนนไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนะคุณปู่พ่อของท่านนะไปมอบให้หลวงปู่มั่น พ อ, อเวียนไปส่งโยมแม่ของท่านกับหลวงปู่มั่นเสร็จแล้วปะโยมปู่เข้าไปฝากหลวงปู่จาม น, นนะกับหลวงปู่มั่นขน่อยขอฝากลูกกับตลงปู่ได้หรือไอ้อมาอย่างเขาเม่ต้องการเนอกเราลําพังคนเดียวก็ยากพอแรงแล้วแต่นี่หลวงปู่สิงขันทยาขโมน่ะท่านอะไรออกมาทานบอกโยมปู่ พูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่เข้าไปพูดใหม่บอกว่าขอมอบลูกของกระผมะเพื่อการศึกษาเพื่อปฏิบัติกระผมอยากจะได้บุญอยากจะให้ลูกเข้ามาศึกษาเป็นคนดีอขอมอบให้เป็นลูกของหลวงปู่หลวงตาเลยหลวงตาจะข่าจะตียังไงจะชังจะสอนยังไง สิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ขอมอบไปลงปู่ทั้งหมดเป็นลูกของลงปู่ไม่ใช่ลูกของกระผมตั้งแต่บัดนี้ไปขอให้ลงปู่แนะนำสั่งสอนให้เป็นลูกของลงปู่ไปเลยให้พูดลักษณะนี้นะพูดใหม่ลงปู่โยมปู่เรไปพูดกันเออเอาวะเดี๋ยวเราจะสอนนี่แหละลงปู่ยามสมัยนั้นกระยุกเพียงสิบ4ามสิบสี่ปี 13ปีมาบวชเป็นจำเนนอยู่กับนงปู่มันต่อมาเมื่ออายุ18ปีท่านก็ป่วยเป็นนําลักษณะเป็นล่อยภาษาสมัยเขาเรียกว่าเป็นเน็บชาหรือเป็นล่อยท่านก็เลยลาซิกขามาช่วยงานพ่อแม่พ่อแม่ของท่านก็บวชอีกว่าปู่กับยา่าปู่ก็บวชอย่าก็บวชเป็นชีอีกปู่ก็ตายกับผ้าเหลืองนะ ปู่ป่วยสมัยนั้นเป็นวันนรกมาเป็นไรอายุได้พันษาปวดได้หกเจดปีปู่ก็เลยมรณาภาพแต่โยมย่าเนี่ยเกือบสี่สิบพันษามท่านเลยมรณาภาพอายุเกือบแปดสิบนี่แหละจากนั้นหลวงปู่จามท่านก็นดูแลครอบครัวแทนพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่เล้เมื่ออายุยี่สิบเก้าปีท่านก็ได้บวชบวชแล้วก็ไม่ศึกเลยตั้งแต่บัดนั้น อายุ29ดูนี้อายุ103ปีพวกเรานับนิ้วมือหรดูสิว่าพรรษาของหลวงปู่จามเนี่ยเท่าไหร่นะ103ปีก็6วันบวชเมื่ออายุ29ปีเนี่แหละชีวิตของหลวงปู่จามท่านก็ไม่ได้แต่งงานนะบวชเสร็จแล้วก็นุ่มขึ้นไปอยู่ทางภาคเหนือ30กว่าปีไปอยู่ทางภาคเหนือ30กว่าปีไปอยู่ทางภาคเหนือ29ปีเนี่ยได้กลับมาเยี่ยมแม่ นี่แะพวกเราพระรุ่นใหม่ลูกหลานทั้งหลายนะได้ยินได้ฟังเนะี่ยบวชเข้ามาแล้วนะวกวกวนวนวนเวียนอยู่ในบ้านเดี๋ยวก็ตายเอาตายเอ า, า, เอารุ่นฟืนเก่ามันติดเร็วครูบาอาจารย์รุ่นเก่าพอบวชเสร็จแล้วหนีออกจากบ้านให้ห่างไกลไปหาพอนานุ่นถ้าเป็นเสือก็บอกไปว่าลายไม่มีทนะั้งนั้นเสือลายไม่มีเสือลายหมดเว่างั้นได้ เพราะอะไรท่านเสืออายุแก่ๆมันลายหมดเลแต่ทุกวันเนี่ยพระลูกพระหลานทั้งหลายเลยบวชมาปีสองปีจะ่าไปโปรดแต่พ่อแม่ผลที่สุดพ่อแม่อชีกาโปรธเอาโปร ด, ดเอาตายเอาตายเอาทุกองค์อือที่จะงอกเงยในธรรมหาได้ยากค่ะกูบายจารรุนเก่าเนะี่ยพอบวชเข้ามาแล้ยหนีออกจากบ้านให้ห่างไกลไปภาวนาปารงพงไผ่ที่ไหนก็ไม่รู้นู่น อายุเหลือตายแล้วอายุใหญ่แล้วมีอายุพรรษาแล้วยังค่อยกลับมาเลยมาพันั้นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องวงสาคนาญาติเป็นประโยชน์ต่อทุกคนท่านในศึกษามาดีแล้วโดยมากเลยนะถ้าพวกเราอยากจะเป็นพระที่ดีก็ควรจะยึดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านพาดาเนินมีแต่ความเจริญน่ะ ไม่มีเสื่อมแต่ทางว่าเปาะแป้เข้ามาบวชเข้ามาไม่เท่าไหร่อยากจะไปโปรดแต่เขาตัวเองไม่โปรดตัวเองฮะอันนั้นไม่นา น, นาตายจากศาสน า, าหมดไม่ใช่ตายทางอย่างอื่นนะตายจากศาสน า, ศาตายจากศาสน า, าคืออะไรก็คือศึกเนี่ยราชิขาเนะี่ยไปเป็นคารวะพอไปเป็นคารวะขึ้นมาเลยสํานึกได้ก็ข่าศึกมาทําไมเยข่าอยากจะบวชอีก น, ะนั่นแหละ บวชแล้วศึกศึกระบวบบวชแล้ ว, ว, ว, ลวึกอยู่นั่นนะและยังสงสัยเอ๊ะบวชครั้งที่สีบวชได้หรือเปล่านะ่ะพยวาวะอีกสงสัยอีกเนะี่อนบวชศึกหลายครั้งแล้วเกินหรือไงั้นรับพ่อนะโมทนาให้พอนะ่อ